เรื่องพระอินทวายบินทบาทแก่พระมหากัสปะเทระออกนิโรธสมาบัติอันว่าพระศัสดาเมื่อทรงประทับอยู่ในพระเวลุวันสวนป่าไผ่กลุ่งราชครื้แคว้นมคตของพระเจ้าพิมพิสารทรงปรารพถึงเท้าสักกะถวายบินทบายพระเทระออกนิโรธสมาบัติวันหนึ่งพระมหากัสปะเทระออกนิโรธสมาบัติเจ็ดวัน ออกเที่ยวบินบัตฝ่ายนางอับศรห้าร้อย น, นางเป็นบาทบริจาริกาท้าส ก, กะเทวราชเกิดอุตสาหะถวายบินทบัตแก่พระเทระจึงเตรียมบินบัตห้าอยที่ไปยืนรอระหว่างทางพระเทระรู้แล้วจึงห้ามว่าจงหลีกไปเสถเิดฉันจักทาความสงเคราะห์คนเข็นใจพวกเจ้าไม่รู้ประมาณตัวจงหลีกไป นางอับสอนทั้งหลายไม่อาจแข็งขืนอยู่ได้หลีกไปแล้วกลับไปเทวโลกตามเดิมเท้าสักกะเทวราชทราบประสงค์จะถวายบิณฑบาตพระเทระจึงแปลงเป็นคนแก่คร่ำคร่าด้วยอำนาจชราฟันหักผมหงอกหลังโกงเป็นช่างหูกู้เท่าแม้นางสุชาดาเทียบทิดาก็เป็นหญิงแก่เหมือนกันอย่างนั้นแล้วทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งประทับถึงหูกอยู่ นางสุชาดากำลังกรอได้ฝ่ายพระเทราแลเห็นคิดว่าผู้ที่จะเข็นใจไปกว่าสองคนนี้ไม่มีอีกแล้วแม้ในเวลาแก่เท่าก็ยังทำงานอยู่จึงเข้าไปรับพัดบินทบาทนั้นมีเข้าสุกและสู่ปพยพญชนะมากมายได้หอมตลกไปทั่วกรุงราชฤท์แล้วจึงทราบต่อมาว่าเป็นเท้าสักกะพลางกล่าวว่า พระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็นใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายทานแกอัตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีเท้าสักกะตอบว่าผู้เข็นใจไปกว่ากระผมไม่มีแล้วขอรับพระเถระจึงถามว่าพระองค์สเสวยสิริราชสมบัติในดาวดึงสเทวโลกจะเข็นใจเพราะเหตุไร ท้าวศักกะตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าพูดก็ถูกแล้ขารับแต่เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้อุบัติกระผมได้กระทำบุญทานไว้ต่อมาในพุทธ บ, บาทกาลนี้ได้มีเทพบุตรเสมอกันสามองค์คือจุลรัตเทพบุตรมหารัตเทพบุตรและอเนกวรณณเทพบุตรได้กระทำกัลยาณกรรมแล้วได้มาบังเกิดในที่ใกล้กระผมมีเดชคือแสงจากสรีระกายมากกว่ากระผม เมื่อเทพบุตรทั้งสามไปในที่ใดหรือสู่ถนนหรือจกเล่นนักขัตะเริกกระผมต้องหนีเข้าตําหนักเพราะเดช จ, จากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมใครจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าขอรับเท้าเธอตรัสอย่างนั้นทรงไหวพระเทระพานางสุชาดาทรงทำประทักษิณเหาะขึ้นสู่เวหาส่งแปลงอุทานว่า แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะอุทานเส้นสามครั้งพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ในวิหารทรงสดับเสียงเท้าสักกะจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่น ผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อในเวลาจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละหมายเหตุผู้อ่านข้อนี้จึงเป็นข้อคิดใหเห็นว่ามนุษย์เป็นพบภูมิเดียวที่ทำบุญได้สูงสุด และสามารถพัฒนาตัวตนจนบรรลุธรรมเป็นแหล่งเนื้อนาบุญอันมากแม้แต่เทวดาเทพเจ้าชั้นสูงก็ยังต้องลงมาพึ่งพิงบุญจากมนุษย์ดังนั้นการที่หวังเพียงว่าจะกราบไหว้ออนวอนร้องขอบนบานสารกล่าวแก่เทพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้คิดให้ดีนะครับว่าบุญที่แท้บุญที่ใหญ่ที่สุดนั้นเราสามารถสร้างได้ด้วยตนเองด้วยคาสอนของพระพุทธเจ้าและด้วยชีวิตนี้นี่แหละ และศาสนาพุทธก็สอนให้พึ่งพาตนเองเป็นศาสนาแห่งการกระทําสร้างบุญให้ตัวเองและบุญของตัวเองนั้นจะพาให้ร่ํารวยมีความสุขและพ้นทุกข์ได้ในที่สุดการเรียนหนังสือใครเรียนคนนั้นเก่งการกินข้าวใครกินคนนั้นอิ่มเราไม่สามารถร้องขอจากสิ่งภายนอกได้จึงฝากเรื่องนี้ไว้ให้คิดด้วยนะครับ